คุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนาหลักสาคัญข้อที่หพึ่งตนยกระดับตนให้สูงขึ้นและกดแห่งกรรมพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนให้รู้จักพึ่งตัวเองในการประกอบคุณงามความดีในการยกระดับแห่งชีวิตของตนให้สูงขึ้นไม่สอนให้คิดแต่จะเอาดีด้วยการอ้อนวอนบวงสรวง คำสอนข้อนี้เป็นเหตุให้เกิดหลักเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วที่เรียกว่ากฎแห่งกรรมคือหล w ออ k a คา a มาอันทำให้ชาวต่างประเทศหันมานิยมนับถือมากขึ้นในบทนี้ถ้าจะกล่าวอย่างยอดที่สุดก็คือคุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนาในข้อนี้ได้แก่การสอนให้พึงตัวเองไม่นิยมให้ทำการใดๆอันเข้าลักษณะยืมจมูกคนอื่นหายใจ ดังที่คำโบราณว่าไว้แต่โดยเหตุที่มีข้อปลีกย่อยอีกหลายประการซึ่งนำมากราวรวมไว้ในข้อนี้ด้วยจึงขอแยกแนวพิจารณาออกเป็นสข้อคือ 1. นพระพุทธศาสนาสอนให้พึ่งตัวเองในการประกอบคุณงามความดี 2. พระพุทธศาสนาสอนให้พึ่งตัวเองในการยกระดับชีวิตของตนให้สูงขึ้น ในวงเล็บวัฒนธรรม 3. พระพุทธศาสนาไม่สอนให้คิดได้ดีโดยวิธีอ้อนวอนวงสวงและ 4. พระพุทธศาสนาสอนให้เข้าใจกฎแห่งกรรมซึ่งจะได้แยกอธิบายเป็นข้อๆไปข้อที่หนึ่งพระพุทธศาสนาสอนให้พึ่งตัวเองในการประกอบคุณงามความดี ในพระสุตตันตปิฎกพระไตรปิฎกเล่มยี่สบห้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าความเพียรเป็นหน้าที่ที่ท่านทั้งหลายจะพึงทําเองตถาคตเป็นเพียงผู้ชี้ทางให้อีกแห่งว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าพึงเป็นที่พึ่งได้ในพระไตรปิฎกเล่มสิบเจ็ดตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายพึงเป็นผู้มีตนเป็นเกาะที่พึ่งเถิดอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยจงมีทำเป็นเกาะเป็นที่พึ่งเถิดอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยพระพุทธภาษิตที่นำมากล่าวไว้พอเป็นสังเขปในที่นี้แสดงว่าในพระพุทธศาสนาไม่มีการทำคุณงามความดีแทนกันทุกคนต้องทำเอาเองแม้พระพุทธเจ้า ก็ทรงทําแทนใครไม่ได้ทรงชี้ทางให้เท่านั้นเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนจะพึงปฏิบัติเอาเองเปรียบเหมือนอาหารจะให้คนอื่นกินแทนกันแล้วให้อีกคนหนึ่งอิ่มย่อมเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นความจริงการสอนที่พึ่งตัวเองนี้เป็นการวางรากฐานจิตใจไม่ให้อ่อนแอคอยแต่จะเหลียวหาผู้อื่นช่วยเหลือตลอดเวลาคนคิดพึ่งตัวเองอยู่เสมอ ย่อมมีจิตใจเป็นอิสระและทําให้เป็นผู้ไม่ประมาทกล่าวคือเมื่อไม่คอยคิดพึ่งผู้อื่นย่อมเป็นผู้เตรียมการทุกอย่างไว้เพื่อช่วยตัวเองได้เช่นประการแรกในเรื่องการเงินผู้คิดพึ่งตัวเองย่อมระมัดระวังการใช้จ่ายไม่สุรุ่ยสุร่ายเพราะถ้าเงินหมดจะต้องรบกวนคนอื่นจะรู้จักเก็บออมไว้ใช้ในยามที่ต้องการ บางครั้งความจำเป็นบังคับอาจต้องพึ่งผู้อื่นแต่ก็ไม่บ่อยครั้งนักจะมีก็ต่อเมื่อจำเป็นจริงๆและในกรณีเช่นนั้นผู้คิดพึ่งตัวเองยอมเปลืองนี้สินได้โดยเร็วเพราะความไม่ประมาทในการครองชีวิตประการที่สองในเรื่องการงานผู้คิดพึ่งตัวเองยอมหัดทำอะไรอะไรเองได้ในสิ่งที่พอจะช่วยตัวเองได้ พึ่งสังเกตว่าภิกษุในพระพุทธศาสนามีข้อกำหนดให้มีได้มีเข็มไว้เป็นบริการประจำตัวนี่ก็ไม่ใช่อื่นไกลเพื่อให้รู้จักเย็บผ้าปะผ้าใช้เองบ้างไม่ใช่เป็นผู้สำรวยหยิบยงทำอะไรเองไม่ได้เลยยิ่งกว่านั้นผู้คิดพึ่งตัวเองย่อมพยายามปลูกความรู้ความสามารถเอาดีที่การงานไม่ใช่คอยแต่ประจบผู้ใหญ่เอาตัวรอดไปวันหนึ่งวันหนึ่ง ผู้คิดพึ่งตัวเองยอมเอาตัวรอดได้ในเมื่อจำเป็นต้องวิ่งเต้นต่อสู้กับชีวิตและการงานด้วยลำแข้งไม่ได้ทำงานอย่างนี้ก็ไม่อดตายเพราะรู้จักทำงานอย่างอื่นช่วยตัวเองได้ประการที่สามในเรื่องการศึกษาผู้คิดพึ่งตัวเองยอมไม่เกียดครานไม่คอยคิดหาวิธีลัดด้วยการคอยถามคอยดูข้อตอบของเพื่อน หรือคอยลอกคำตอบของเพื่อนเวลาสอบไล่ไม่ต้องกังวลบนบานสารกล่าวให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนช่วยเพราะอุ่นใจในความเพียรช่วยตัวเองอยู่แล้วผู้คิดพึ่งตัวเองเมื่อสนใจศึกษาศิลปะวิชายอมเจริญด้วยความรู้ความสามารถทำให้ชีวิตเป็นหลักฐานขึ้นได้แม้ในเบื้องแรกจะตกต่ำไม่เจริญเหมือนคนทั้งหลาย ประการที่สในเรื่องของการครองชีวิตผู้คิดพึ่งตัวเองยอมเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ของตนเองไว้ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องหยิบยืนของผู้อื่นเตรียมการแก้ไขอุปสรรคแห่งชีวิตและเตรียมตัวเพื่อไม่ให้การครองชีวิตต้องล่มจมตกต่ำด้วยการรู้จักประมาณตัวจะเป็นคนครองชีพโดยเหมาะสมแก่ฐานะไม่ฟุ้งเฟอ้อลืมตัวหรือคอยหวังผู้อื่นตลอดเวลา แม้ในเรื่องเล็กๆน้อยๆเมื่อมีความจำเป็นเกิดขึ้นความคิดพึ่งตัวเองที่มีอยู่เป็นประจำจะทำให้ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรมากเกินไปถ้าเป็นเด็กก็เป็นเด็กที่รู้จักโตไม่ต้องอยู่ในภาวะรับผิดชอบของพ่อแม่ชนิดไม่ไปพ้นอกพ่อแม่ต้องพึ่งท่านอยู่โดยไม่คิดตั้งตัวให้เป็นหลักฐานแล้วเลี้ยงท่านตอบแทนบ้างเลย ประการที่ห้เรื่องเรื่องความประพฤติปฏิบัติผู้คิดพึ่งตัวเองยอมไม่คิดจะได้ดีอะไรอย่างลอยๆหากจะรู้จักประกอบเหตุเพื่อให้เกิดผลโดยการกระทาที่ถูกต้องของตนฉะนั้นเมื่ออยากได้ดีก็ต้องประกอบคุณงามความดีและในการประกอบคุณงามความดีนี้เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าพระพุทธเจ้า ทรงชี้หนทางและทรงประพฤติปฏิบัตินำทางไว้แล้วหน้าที่ประพฤติปฏิบัติเป็นของผู้ปรารถนาจะเจริญก้าวหน้าในคุณความดีทั้งหลายเรื่องพึ่งตัวเองเป็นเรื่องของธรรมชาติเราจะสังเกตได้ว่าเด็กเล็ก ช่วยตัวเองเหมือนผู้ใหญ่ไม่ค่อยได้ธรรมชาติจึงได้สร้างกำลังต้านทานไว้ให้มากกว่าผู้ใหญ่เช่นเด็กเป็นไข้อุณหภูมิขึ้นถึง104และ105งาดีกรีฟาเรนไฮต์หรือประมาณ40องศาเซลเซียสเด็กพอทนได้แต่ถ้าผู้ใหญ่ถ้าอุณหภูมิขึ้นถึงขนาดนั้นก็กระสับกระส่ายหรือเพอ้อแม้ที่เกี่ยวกับโรคติดต่อเช่นไข้หวัดใหญ่เด็กเล็ก ที่ยังดื่มนมมารดามักมีกำลังต้านทานดีกว่าผู้ใหญ่ทั้งนี้เพราะการเตรียมอะไรต่ออะไรไว้ให้ของธรรมชาติยังมีผลปรากฏอยู่รั้นโตขึ้นพอที่จะตักอาหารเข้าปากเองได้เด็กจะแย่งผู้ใหญ่ทำเองเป็นการหาช่วยตัวเองไปในขณะเดียวกันในร่างกายของมนุษย์และสัตว์เมื่อมีบาดแผลหรือเนื้อฉีกขาดหายไปบางตอน ก็จะมีการซ่อมแซมในตัวเองจนเต็มดังเก่าการรักษาบาดแผลนั้นแท้จริงคือการรักษาความสะอาดมีให้เชื้อโรคอื่นจะเข้ามาเท่านั้นส่วนการซ่อมแซมเป็นเรื่องของร่างกายเองที่จะเพิ่มเซลล์ตรงบาดแผลนั้นให้มากขึ้นจนเต็มเป็นปกติดังเดิมการติดต่อต้นไม้เช่นใช้กิ่งพุทราพันดี มาต่อกับพุทราพันไม่ดีเขาก็ใช้ยาทาใช้ผ้าพัน์พอช่วยให้ยึดกันได้ดีเท่านั้นส่วนการส่งอาหารไปเลี้ยงกิ่งใหม่การสมานเนื้อให้เข้ากันเป็นการช่วยตัวเองของต้นไม้นั้นหลุยส์พาสเตอร์นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสผู้ค้นพบวิธีป้องกันโรคโดยการฉีดวัคซีนเพื่อให้เกิดความต่อต้านในร่างกายของมนุษย์และสัตว์ก็ใช้วิธีคิด โดยอาศัยหลักพึ่งตัวเองในธรรมชาติเป็นสําคัญกล่าวคือเมื่อฉีดเชื้อโรคอย่างอ่อนๆเข้าไปในร่างกายของสัตว์ร่างกายจะสร้างเครื่องต้านทานขึ้นเรียกว่าแอนติบอดีเมื่อมีเครื่องต้านทานแล้วฉีดเชื้อโรคเพิ่มเข้าไปมากขึ้นโดยลําดับร่างกายก็จะสร้างเครื่องต้านทานมากขึ้นโดยลําดับถึงขนาดต้านทานเชื้อโรคอย่างแรงได้รั้นแล้วเขาก็เอาโลหิตหรือน้ําเหลืองจากสัตว์ที่มีความต้านทานนั้นมาทําเซรุ่ม สำหรับฉีดป้องกันเชื้อโรคต่างๆซึ่งยังคงใช้เป็นหลักการสำคัญแม้ในปัจจุบันการป้องกันโรคอหิวาไกายยังได้ผลนับเป็นผลงานชิ้นสำคัญอย่างหนึ่งของหลุยส์พาสเตอร์ผู้นี้เมื่อหลักการพึ่งตัวเองเป็นหลักในธรรมชาติเช่นนี้การสอนนิคนรู้จักพึ่งตัวเองจึงเป็นหลักคาสอนที่ถูกหลักธรรมชาติอย่างหนึ่ง ทั้งนี้เพราะการพึ่งผู้อื่นนั้นเป็นของไม่แน่นอนว่าจะพึ่งได้เสมอไปชอบใจเขาก็จะให้พึ่งไม่ชอบใจเขาก็จะไม่ให้พึ่งหรือแม้เขาอยากให้พึ่งแต่ความไม่แน่นอนของโลกอาจทำให้เขาตกต่ำลงจนไม่สามารถให้เราพึ่งต่อไปก็ได้หรือก็อาจสิ้นชีวิตไปตามปัจจัยแห่งอายุก็ได้ตกลงการเตรียมพึ่งตัวเองไว้เป็นไม่มีอะไรเสียหาย มีแต่ให้คุณโดยส่วนเดียวจริงอยู่คนที่เกิดมาในโลกนี้จำต้องพึ่งพาอาศัยกันทางนี้พระพุทธศาสนาก็ไม่ได้ห้ามการพึ่งพาอาศัยกันเป็นแต่เตือนไว้ให้รู้จักช่วยตัวเองเพื่อเวลาที่พึ่งคนอื่นไม่ได้หรือไม่จำเป็นจริงๆจะได้พึ่งตัวเองได้ทำให้เป็นคนมีอิสระแก่ตนเองไม่ต้องเป็นคนอ่อนแอเหลียวหาที่พึ่งอยู่เนืองนิด เด็กที่พ่อแม่โอบมาแต่เล็กทำอะไรเองไม่เป็นเลยจะเป็นเด็กที่ต้องมีพี่เลี้ยงช่วยเหลือตลอดเวลาและโตขึ้นก็จะทำให้เป็นคนอ่อนแอหยิบโยงทำอะไรเล็กๆน้อยๆเองไม่เป็นทำให้มีความรู้สึกว่าในบางครั้งการถูกปล่อยให้เผชิญชีวิตตามลำพังนั้นเป็นภาวะอันน่ากลัวอย่างยิ่งรวมความว่า ในการประกอบคุณงามความดีหรือในการดำเรงชีวิตควรฝึกหัดช่วยตัวเองพึ่งตัวเองให้มากที่สุดเพื่อจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนในภายหลัง